อนาปติวนันพิกษณีต่อไปนี้ไม่ต้องอบัตคือ1189 1. พิกษณีผู้เป็นไข้ 2. ภพิกษณีผู้มีเหตุขัดข้อง 3. ภพิกษณีวิกลจริต 4. ภพิกษณีต้นบัญญัตสิกขาบทที่สองจบ